ราชธิดาคันทรงสแสดงธรรมแก่พระชนกนาถด้วยหกคาถาอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงสแสดงถึงทุกอันตนเคยเสวยมาในอดีตจึงตรัสว่าแม้กระหม่อมฉันก็ระลึกชาติที่ตนได้ท่องเที่ยวมาแล้วได้เจ็ดชาติและระลึกชาติที่ตนจุติจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดในอนาคตอีกเจ็ดชาติถ้าแต่พระจอมประชาชน ชาติที่เจ็ของกระหม่อมชั้นในอดีตกระหม่อมฉั้นเกิดเป็นบุตรนายช่างทองในแคว้นมคต ร, ราชคฤุฑมหานครกระหม่อมฉั้นได้คบหาสหายผู้ลามกทำบาปกรรมไว้มากเที่ยวคบชู้ภรรยาของชายอื่นเหมือนจะไม่ตายกรรมนั้นยังคงอยู่ยังไม่ให้ผลเหมือนไฟอันเท่าปกปิดไว้ในการต่อมาด้วยกรรมอื่นๆ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 เขาได้แนะนำให้กระหม่อมชั้นดำรงอยู่ในสิ่งอันเป็นประโยชน์กระหม่อมฉั้นได้รักษาอุโบสถในวัน14บ่ค่ำาิบาค่ตลอดราตรีเป็นอันมากกรรมนั้นยังคงอยู่ยังไม่ได้ให้ผลดังขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้น้ำรันภายหลังบรรดาบาปกรรมทั้งหลายประทารกรรมนี้ใดที่กระห ม, ม่อมชั้นได้กระทาไว้ในมคธรัต ผลแห่งกรรมนั้นมาถึงกระหม่อมชั้นแล้วในภายหลังเหมือนดื่มยาพิษอันร้ายแรงฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐกระหม่อมชั้นจุติจากตระกูลเศรษฐีนั้นแล้วต้องหมกไหม้อยู่ในโรรุหะนรกจิ้นกาลนานเพราะกรรมของตนกระหม่อมฉั้นได้ระลึกถึงทุกขที่ได้เสวยในนรกนั้นไม่ได้ความสุขเลย กระหม่อมชั้นยังทุกเป็นอันมากให้สิ้นไปในนรกนั้นนานปีแล้วเกิดเป็นลาถูกเขาตอนอยู่ในพินนาคตะมหานครบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเจ็ดสัตตะความว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมชื่อว่าโลกนี้และโลกหน้าและผลแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีและทำชั่วย่อมมี สงสารไม่สามารถจะชำระสัตว์ทั้งหลายให้หมดจดได้ด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดด้วยกรรมเท่านั้นอลาตะเสนาบดีและวีชกะผู้เป็นทาทย่อมระลึกได้เพียงชาติเดียวเท่านั้นมิใช่แต่ท่านเหล่านั้นเท่านั้นที่ระลึกชาติได้แม้กระหม่อมฉันก็ระลึกถึงความที่ตนท่องเที่ยวในอดีตได้ถึงเจ็ดชาติ ทั้งย่อมระลึกถึงชาติที่จะพึงไปจากนี้แม้ในอนาคตได้ถึงเจดชาติเหมือนกันคำว่าชาติที่เจ็ดของหม่อมชันยาเมสาความว่าชาติที่เจ็ดในอดีตของหม่อมชันก็มีอยู่คำว่าบุตรนายช่างทองกัมมาระปุตโตความว่าในชาติที่เจ็ดนั้นหม่อมฉันเกิดเป็นบุตรช่างทองในกรุงราชคฤ มคตทรัตคำว่าคบชู้ภรรยาของชายอื่นปรท า, ารัศะเหตเทนตาได้แก่เบียดเบียนภรรยาของคนอื่นคือผิดในพันดะคือหญิงที่คนเหล่าอื่นรักษาคุ้มครองไว้คำว่ายังคงอยู่อัถฐาได้แก่กําชั่วนั้นที่หม่อมฉันทำในเวลานั้นยังไม่ได้โอกาสได้คงเก็บไว้ แต่เมื่อได้โอกาสจึงให้ผลเหมือนไฟอันเท่าปิดไว้ฉะนั้นคำว่าในแคว้นวังสะวังสะภูมิยังได้แก่ในวังสรัตคำว่าบุตรคนเดียวเอกับุตโตความว่าหม่อมชั้นได้เป็นบุตรคนเดียวในตระกูลเศรษฐีที่มีสมบัติถึงแปดสิบโกดคำว่าผู้ยินดีในกรรมอันงาม จ้าเวระตังได้แก่ยินดียิ่งในกาลยาณกรรมคำว่าเขาได้แนะนำให้กระห ม, ม่อมชั้นโสมังได้แก่เขาได้เป็นสหายได้ชักนำห ม, ม่อมชั้นให้ตั้งอยู่ในสิ่งเป็นประโยชน์คือในกุศลกรรมคำว่ากรรมนั้นตังกรมมังความว่า กัลยาณกรรมของหม่อมชันแม้นั้นยังไม่ได้โอกาสในการนั้นครั้นเมื่อได้โอกาสจึงให้ผลคำว่าใต้น้ำอุทะกันติเกความว่าได้เป็นขุมทรัพย์ฝังไว้ในน้ำคำว่าปรทธารกรรมนี้ใดยะเมตังความว่าลำดับในบรรดากรรมชั่วมีประมาณเท่านี้ของหม่อมชัน ปรทธารกรรมนี้ใดที่หม่อมชั้นกระทาแล้วในมคธรันผลแห่งกรรมนั้นจึงติดตามมาถึงหม่อมชั้นในภายหลังถามว่าเหมือนอะไรแก้ว่าเหมือนบุคคลบริโภคยาพิษฉนั้นอธิบายว่ากรรมนั้นย่อมถึงหม่อมชั้นเหมือนยาพิษที่ชั่วช้ากล้าแข็งร้ายกาดกำเริบแก่บุคคลผู้บริโภคโภชนะ อันมียาพิษฉะนั้นคำว่าจากตระกูลเศรษฐีนั้นแล้วตะโตได้แก่จากตระกูลเศรษฐีในกรุงโกสัมพีนั้นคำว่าได้ระลึกถึงทุก์ที่ได้เสวยในนรกนั้นตังสรังความว่าหม่อมฉันเมื่อระลึกถึงทุกที่หม่อมฉันเสวยในนรกนั้นย่อมไม่ได้รับความสบายใจเลย ภันั้นแหละย่อมเกิดแก่หม่อมชันคำว่าในพินนาคตะมหานครพินนาคเตได้แก่ในพินนาคตรัฐหรือในนครชื่อว่าพินนาคตะคำว่าถูกเขาตอนอุทธตับพโลได้แก่พืชที่ถูกเขาตอนกลานั้นได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกําลังคนทั้งหลายขึ้นขี่หลังลาก็ได้ นำลานั้นไปเทียมลานั้นที่ยานน้อยก็ได้พระนางรุจาราชธิดาเมื่อประกาศความนั้นจึงกล่าวว่ากระหมอ่อมฉันเมื่อเกิดเป็นลาต้องพาลูกผู้ดีทั้งหลายไปด้วยหลังบ้างด้วยรถบ้างนั่นเป็นผลแห่งกรรมนั้นคือการที่กระหมอ่อมฉันคบชู้กับภรรยาของผู้อื่น บรรดาคำเหล่านั้นคําว่าลูกผู้ดีทั้งหลายสาตะปุตตาได้แก่บุตรแห่งอมมาทั้งหลายคําว่าแห่งกรรมนั้นตัดสักรร ม, มัตสะความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพการที่หม่อมชั้นหมกไหมอยู่ในมหาโ ร, รุวะนรกและกรรมที่หม่อมชั้นถูกตอนในการเป็นลาการบรรทุกและเทียมยานทั้งหมดนั้น เป็นผลของกรรมนั้นคือกรรมที่หม่อมฉันคบชู้กับภรรยาของคนอื่นก็แลครั้นหม่อมชันจุติจากชาติเป็นลานั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในกําเนิดลิงในป่าครั้นในวันที่หม่อมชันเกิดพวกลิงเหล่านั้นนําหม่อมชันไปแสดงแก่ลิงผู้เป็นจ่าฝูงลิงผู้เป็นจ่าฝูงกล่าวว่าจงนําบุตรมาให้เราแล้วจับไว้ให้มั่น แล้วกัดลูกอันทะของลิงนั้นถึงจะร้องเท่าไรก็ไม่ปล่อยพระนางรุจาราชติดาเมื่อประกาศความนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัตกระหม่อมชั้นจุติจากชาติเป็นลานั้นแล้วไปบังเกิดเป็นลิงในป่าใหญ่ถูกลิงจ่าฝูงผู้ขนองคบกัดลูกอันทะนั่นเป็นผลแห่งกรรมนั้น คือการที่กระหม่อมชั้นคบชู้ภรรยาของผู้อื่นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าถูกขบกัดลูกอันทะนิรุษชิตตะพโลเย ว, วะความว่าหม่อมชั้นถูกกลิงจ่าฝูงขนองในป่านั้นขบกัดลูกอันทะทีเดียวพระนางรุจาราชธิดาเมื่อจะทรงแสดงชาติอื่นๆจึงทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหราช กระหม่อมชั้นจุติจากชาติเป็นลิงนั้นแล้วได้เกิดเป็นโคในทศนารัฐถูกเขาตอนมีกําลังแข็งแรงกระหม่อมชั้นต้องเทียมยานอยู่สิ้นกาลนานนั่นเป็นผลของกรรมคือการที่กระหม่อมชั้นคบชู้ภรรยาของผู้อื่นข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐกระหม่อมชั้นจุติจากชาติเป็นโคนั้นแล้วมาบังเกิดเป็นกระเทย ในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากในแคว้นวัชชีได้เกิดเป็นมนุษย์ยากจริงๆนั่นเป็นผลแห่งกรรมนั้นคือการที่กระหม่อมชั้นคบชู้ภรยาผู้อื่นข่าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัตกระหม่อมชั้นจุติจากชาติเป็นกระเทยนั้นแล้วได้ไปบังเกิดเป็นนางอับสอนในนันทนวันนณดาวดึงพิภพมีวันละหน้าใคร้ มีผ้าและอาภรอันวิจิตสวมกุนทนแก้วมณีเป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนราขับร้องเป็นบาดบริจาริกาของเท้าสักกะข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐเมื่อกระหม่อมชั้นอยู่ในดาวดึงพิภ พ, พนั้นประลึกชาติแม้ในอนาคตได้อีกเจ็ดชาติที่กระหม่อมชั้นจุติจากดาวดึงพิภ พ, พ, พนั้นแล้วจะไปเกิดต่อไป อุสนที่กระหม่อมชั้นกระทำไว้ในเมืองโกสัมพีตามมาให้ผลกระหม่อมชั้นจุติจากดาวดึงพิภพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ข่าแต่พระมหาราชากระหม่อมชั้นเป็นผู้อัญชนทั้งหลายสักการะบูชาแล้วเป็นนิดตลอดเจดชาติถึงชาติที่หนี้กระหม่อมชั้นก็ยังไม่พ้นจากความเป็นหญิงข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐ ชาติที่7กระหม่อมฉันจึงจักได้เกิดเป็นเทวดาผู้ชายเป็นเทพระบุตรผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดาแม้วันนี้นางอับสรทั้งหลายก็ยังร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยต่อเนื่องอยู่ในนันทนวันเทพระบุตรนามว่าชวะสามีของกระหม่อมฉันยังรับพวงมาลัยอยู่16ปีในมนุษย์นี้ เป็นราวครู่หนึ่งของเทวดาร้อยปีในมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาดังที่ได้กราบทูลให้ทรงทราบมานี้กรรมทั้งหลายย่อมติดตามไปทุกทุกชาติแม้ตั้งอสงไขยด้วยว่ากรรมจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามอันบุคคลทำแล้วย่อมไม่พินาศไปบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าในทัศนรัต สันเนสุได้แก่ในแคว้นทนะัศณะคําว่าได้เกิดเป็นโคปะสุไดแ้แก่เป็นโคคําว่าอหุงแก้เป็นอโหสิแปลว่าได้เป็นแล้วคําว่าถูกเขาตอนนิลุจิโตความว่าในการที่หม่อมฉันเป็นลูกโคนั่นเองพวกเขาได้ตอนพืชของหม่อมฉันด้วยคิดว่า จักเป็นที่ชอบใจด้วยประการชนนี้หม่อมชันนั้นถูกเขาตอนแล้วคือถูกถอนพืชแล้วได้เป็นโคมีกำลังแข็งแรงด้วยคำว่ามาบังเกิดในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากในแคว้นวัดชีวัดชีสุกุละมาคโตนี้พระนางรุจาราชธิดาแสดงว่าหม่อมชันจุติจากกาเนิดโคแล้ว บังเกิดในตระกูลคนผู้มีโภคมากตระกูลหนึ่งในแควนวัชีด้วยคำว่ากระเทยเนวิถีณนะปุมานี้ท่านกล่าวหมายถึงกระเทยคำว่าณนะดาวดึงพิภพพระวะเนตาวติงสาหังได้แก่หม่อมฉันเกิดในภพดาวดึงข้อว่าข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐน เมื่อกระหม่อมฉันอยู่ในดาววดึงพิภพนั้นระลึกชาติตัทธะทิตาหังเวเทหะสรามิชาติโยอิมาความว่าได้ยินว่าพระนางรุจานั้นอยู่ในเทวโลกนั้นตรวจดูอยู่ว่าเรามาสู่เทวโลกเห็นปานี้มาจากไหนหนอเห็นแล้วซึ่งความเกิดในเทวโลกนั้น จุติจากความเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโคะมากในแคว้นวัดชีจากนั้นพระนางรุจาราชธิดาตรวจดูว่า mm. เพราะกรรมอะไรเนอะเราจึงบังเกิดในที่อันน่ารื่นรมเช่นนี้เห็นแล้วซึ่งกุศลมีทานที่ตนทำแล้วเป็นต้นทำให้บังเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงโกสัมพีรู้แล้วว่าเราบังเกิดด้วยผลกรรมนั้น ตรวจสูว่าเราบังเกิดในอัตภาพเป็นกระเทยในพบอดีตที่ถัดไปมาแตนที่ไหนได้รู้แล้วว่าตนเคยเสวยทุกใหญ่ในกำเนิดโคในทศนารัตเมื่อหวนระลึกถึงชาติต่อจากนั้นได้เห็นตนถูกตอนในกำเนิดลิงเมื่อหวนระลึกชาติถัดจากนั้น จึงหวนระลึกถึงภาวะที่ตนถูกตอนพืชในกำเนิดลาในพินนาคตรัตเมื่อหวนระลึกถัดจากชาตินั้นได้ระลึกถึงภาวะที่ตนบังเกิดในโรรุวนรกลำดับนั้นเมื่อพระนางรุจาราชธิดาระลึกถึงภาวะที่ตนหมกไหมในนรกและทุกข์ที่ตนเสวยในกำเนิดสัตว์เดรัชานความกลัวจึงเกิดขึ้น ลำดับนั้นพระนางรุจาราชธิดาเมื่อหวนระลึกถึงชาติที่หกว่าเราเสวยทุกข์เห็นปานนี้เพราะกรรมอะไรหนอจึงเห็นกาลยาณกรรมที่ตนกระทาในกรุงโกสัมพีในชาตินั้นแล้วทรงตรวจดูชาติที่เจ็ดได้เห็นกรรมคือการคบชู้กับภรรยาคนอื่นที่ตนทำเพราะอาศัยมิตรชั่วในมคธรัฐจึงได้รู้ว่า เราเสวยทุกใหญ่นั้นเพราะผลแห่งกรรมนั้นลำดับนั้นพระนางจึงตรวจดูว่าเราจุติจากชาตินี้แล้วจากบังเกิดในพบไหนในอนาคตได้รู้ว่าเราจักบังเกิดเป็นบาตรบริจาริกาของเท้าสักกะเทวราชนนั่นแลอีกดำรงอยู่ตลอดชีวิตเมื่อพระนางได้ตรวจดูแล้วตรวจดูอีกอย่างนี้ได้ทราบว่า ในอัตภาพที่สจัจะบังเกิดเป็นบาทบริจาริกาของเท้าสักกะเทวราชนั่นแหละส่วนในชาติที่สและในชาติที่หก็เหมือนกันคือรู้ว่าเราจักบังเกิดเป็นอัครมเหสีของชาวนาเทพบุตในเทวโลกนั้นนั่นเองแล้วตรวจดูถัดจากชาตินั้นไปรู้ว่าในอัตภาพที่6เราจุติจากพบดาวดึงนี้แล้ว จากบังเกิดในพระคันของพระอัครมเหสีของพระเจ้าอังคติราชเราจะมีนามว่ารุจาดังนี้จึงตรวจดูว่าถัดจากชาตินั้นจากบังเกิดณที่ไหนรู้ว่าในชาติที่เจ็จุติจากชาตินั้นแล้วจากบังเกิดเป็นเท พ, พบุผู้มีฤทธิ์มากในพบดาวดึงจกพ้นจากความเป็นหญิง เพราะเหตุนั้นพระนางรุจาราชธิดาจึงตรัสว่าถ้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐเมื่อกระหม่อมชั้นอยู่ในดาวดึงพิภพนั้นระลึกชาติแม้ในอนาคตได้อีกเจ็ดชาติคำว่าตามมาให้ผลปริยาขตังได้แก่ผลมาตามวาระของตนโดยปริยายเหตุคำว่าตลอดเจ็ดชาติ สัตตะชัดจาความว่าพระนางตรัสว่าเจ็ดชาติคือในเทวโลกห้าชาติกับชาติที่เป็นกระเทยในแคว้นวัชฉีและในชาติที่หกนี้พระนางทรงแสดงไว้ว่ามอมฉันเป็นผู้อันเขาบูชาส ก, การะเป็นนิสตลอดเจ็ชาตินั้นคําว่าถึงชาติที่หฉัฏถาวะคติโยนี้พระนางกล่าวว่า เราจกไม่พ้นความเป็นหญิงตลอด6คติเหล่านี้คือในเทวโลก5คติและในชาตินี้1คติคำว่าที่7สัตตมีจะได้แก่จุติต่อจากนั้นแล้วเป็นชาติที่7คําคำว่าต่อเนื่องสันตานมะยังความว่านางเทพอับสนทั้งหลาย ร้อยพวงมาลัยสืบต่อที่ตนธ ร, รมด้วยอำนาจขั้วเดียวกันเป็นต้นแม้ทุกวันนี้บริจาริกาของหม่อมฉันก็ไม่รู้ความจุติของหม่อมฉันในนันทนวันยังร้อยพวงมาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่หม่อมฉันอยู่เลยเพราะว่าสามีของหม่อมฉันยังรับพวงมาลัยอยู่โสเมมาลังปฏิชติความว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าในชาตินี้ถัดจากนี้เทพบุตบนามว่าชวะผู้เป็นสวามีของหม่อมชันยังรับพวงดอกไม้ที่หม่อมชันให้หล่นจากต้นอยู่คำว่า1ิ 16, โสรสะความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้านับจากหม่อมชันเกิดมาจนบัดนี้ได้16ปีแต่การประเมินเท่านี้เหมือนกับการครู่หนึ่งของเทวดา ก็เพราะเหตุนั้นยิงบำเรอเหล่านั้นจึงไม่รู้ถึงแม้การจุติของหม่อมชั้นยังคงร้อยพวงมาลัยเพื่อหม่อมชั้นอยู่เชียวคำว่าในมนุษย์มานุสิงความว่าอาศัยการนับปีของมนุษย์คำว่าหนึ่งร้อยปีสระโทสะตังความว่าเป็นหนึ่งร้อยปีของมนุษย์เทวดาทั้งหลายมีอายุยืนอย่างนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพด้วยเหตุนี้ขอพระองค์จงทรงทราบความที่ปราโลกและกรรมดีและกรรมชั่วว่ามีอยู่คำว่าย่อมติดตามอันเวนติความว่ากรรมดีและกรรมชั่วย่อมติดตามเราไปทุกทุกชาติอย่างนี้คำว่าด้วยว่ากรรมย่อมไม่พินาศไปนะหิกรรมมังวินัสติ ความว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมย่อมให้ผลในอัตภาพนั้นนั่นเองอุปัชฌเวทนียกรรมย่อมให้ผลในอัตภาพถัดไปส่วนอัปปราประเวทนียกรรมยังไม่ให้ผลจากไม่พินาศไปพระนางรุจาราชธิดาทรงหมายเอาอัปปราประเวทนียกรรมนั้นจึงตรัสว่ากรรมจากไม่พินาศไปแลดังนี้แล้วจึงตรัสว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพเพราะผลแห่งกรรมที่หม่อมฉันทำชู้กับภรรยาของคนอื่นหม่อมฉันจึงหมกไหม้ในนรกแล้วเสวยทุกอย่างใหญ่ในกำเนิดสัตว์เดรชาญถ้าแม้บัดนี้พระองค์ทรงเชื่อถ้อยคำของคุณนาชีวะกะจักกระทำอย่างนี้พระองค์ก็จักเสวยทุกเหมือนที่หม่อมฉันเสวยแล้วนั่นแหลเพราะเหตุนั้นพระองค์อย่าได้ทรงกระทำอย่างนั้นเลย